กระสอบอาจจะสะอาดก็ได้โคนต้นไม้อาจจะทําความสะอาดก็ได้คือที่ใดที่หนึ่งเนี่ยขอให้เราทําให้สะอาดเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามแม้จะอยู่ในกระสอบที่มุงหลังคาจากเราก็ทําความสะอาดได้ภาชนะที่ใช้แม้ไม่มีราคาแต่ก็ทําความสะอาดในภาชนะอันนั้นได้เนเรื่องของความสะอาดนั้นไม่เกี่ยวกับราคาเพราะฉะนั้นนัดปฏิบัติก็ดีหรือว่าชนทุกชั้นก็ดี จึงสามารถทำความสะอาดให้เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงเฉพาะแต่ผู้ที่จะต้องมีเงินมีทองเท่านั้นจึงจะสะอาดคนยากคนจนจะไปสะอาดไม่ได้ไม่จำเป็นความสะอาดไม่เกี่ยวกับความมั่งมีและความยากจนแต่เกี่ยวกับว่าบุคคลคนนั้นจะมีจิตประณีตที่จะทำความสะอาดให้เกิดขึ้นได้หรือไม่เท่านั้นเองนี่เป็นอปนาโฟสนข้อที่หนึ่ง ปณาโกโอสนข้อที่สี่คือประมวลอินทรีย์ให้เท่ากันคําว่าอินทรีย์นี่ได้อธิบายให้ทัางทั้งหลายได้เข้าใจแล้วหมายถึงอินทรีย์ห้าคือธรรมชาติที่เป็นใหญ่ในห้าประการแต่ธรรมชาติอันเนี้ยเป็นธรรมชาติที่เป็นใหญ่ในจิตคือหนึ่งสัตทินทรีย์สัตทินทรีย์นี้ก็คือศรัทธาได้แก่ความเชื่ออินทรีย์ข้อที่สองคือวิริยินทรีย์หรือวิริยะ คือความภาพเพียนอินทรีข้อที่สามคือสตินทรีหรือสติได้แก่ความระลึกได้ในอารมณ์อินทรีข้อที่สี่คือสมาธินทรีหรือคำว่าสมาธิระ ว, วาเป็นใหญ่ในจิตอินทรีข้อที่ห้าคือปัญญทรีอินทรีคือปัญญาหรือธรรมชาติที่เป็นใหญ่คือปัญญาอินทรีทั้งห้าเนี่ยต้องปรับให้เสมอกัน การปรับอินทรีย์ให้เสมอกันนั้นน่ะมีวิธีปรับอย่างไรเราจึงจะให้อินทรีย์เหล่านี้เสมอกันได้ผู้ที่ปฏิบัติหรือผู้ที่ทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งนี้จะต้องเป็นผู้มีศรัทธาก่อนเป็นเบื้องต้นคือมีความเชื่อก่อนว่าการปฏิบัติเช่นนี้จึงจะได้ผลแต่ศรัทธานี้ถ้าหากว่ามากเกินไปศรัทธานั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดคุณท่านแสดงเอาไว้ว่ า, าศรัทธาสาธุปฏิธิตา ที่แปลว่าศรัทธาเมื่อตั้งมั่นดีแล้วย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จคำว่าศรัทธาเมื่อตั้งมั่นดีแล้วย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จในทีน่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าคนนั้นมีแต่ศรัทธาเพียงอย่างเดียวโดยปราศจากอินทรีย์อื่นเข้ามาปรับให้เท่าเทียมกันเช่นปัญญาเพราะคนที่มีอินทรีย์หนักมากเกินไปเช่นมีศรัทธามากเกินไปก็มักจะเป็นคนงมงาย คือความเชื่อเนี่ยถ้าหากว่ามีมากเกินไปแล้วก็เป็นคนงมงายคือคนที่ไม่มีเหตุผลในการที่จะวินิจฉัยพิจารณาถึงสิ่งต่างๆถ้าบอกว่ามักจะกลายเป็นคนโง่เขลาไปในที่สุดตัวศรัทธาเนี่ยจึงทําให้บุคคลที่มีแก่กล้าแล้วเป็นคนโง่เขลาขึ้นเป็นฝ่ายที่ทําให้คนโง่ไม่ใช่ให้คนฉลาดถ้าหากว่ามากเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะปรับศรัทธาเนี่ย ให้น้อยลงด้วยอะไรเอาอะไรมาปรับเราจะปรับศรัทธาคือความเชื่อให้น้อยลงต้องใช้ปัญญาปัญญาเนี่ยคือการพิจารณารู้จักพิจารณาด้วยปัญญาของตนเองเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีความโง่น้อยลงเพราะว่าปัญญานั้นเป็นฝ่ายฉลาดศรัทธาเป็นฝ่ายโง่ความโง่กับความฉลาดเนี่ยถ้าหากว่า ไม่สมดุลกันแล้วคนคนนั้นก็ทําอะไรไม่สําเร็จคนที่ฉลาดเกินไปไม่รู้จักโง่ก็เป็นคนทําอะไรไม่สําเร็จใช้ไม่ได้เราจะสังเกตได้ว่าบางคนนะฉลาดฉลาดจริงๆฉลาดชนิดที่ไม่ยอมโง่กับใครแล้วก็มักจะอวดฉลาดอยู่เสมอบุคคลประเภทเนี้มักจะทําอะไรไม่สําเร็จเพราะว่าฉลาดเกินไป บางครั้งควรจะทำโง่าบ้างก็ไม่ยอมโง่คือธรรมดาคนเราเนี่ยฉลาดอาจจะมีความฉลาดจริงแต่ว่าความฉลาดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะใช้ได้เสมอไปถ้าเราเป็นคนแค่ความฉลาดอยู่เสมอไปแล้วบางทีเราก็เดือดร้อนเดือดร้อนเพราะความฉลาดเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จักเข้าใจในสภาวธรรมเนี่ยถ้ารู้ว่าเราจะฉลาดเกินไปแล้วก็หักเป็นคนโง่าบ้าง บางครั้งเรารู้แต่เราก็ต้องเสแสร้งว่าเราไม่รู้บางครั้งเราไม่เราเข้าใจแต่เราก็ต้องเสแสร้งว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจคือบางทีต้องทำเป็นคนโง่บ้างถ้าฉลาดเกินไปบางทีก็ให้โทษถึงคราวโง่ก็ต้องโง่ถึงคราวฉลาดก็ต้องฉลาดฉลาดเกินไปก็มีโทษโง่เกินไปก็มีโทษเพราะฉะนั้นความฉลาดกับความโง่เนี่ยจึงต้องปรับให้เท่าเทียมกัน ในธรรมะใช้คําว่าศรัทธากับปัญญาต้องสม่ําเสมอกันเราจะเชื่ออะไรก็ตามขอให้เรามีปัญญาพิจารณาคืออย่าเป็นคนเชื่ออะไรง่ายๆอย่าเป็นคนประเภทที่เรียกว่ามงคลตื่นข่าวมงคลตื่นข่าวในที่เนี้คือเรามากักจะตื่นในข่าวเล่าลือข่าวที่ประโคมกันซึ่งบางพีข่าวบางข่าวที่เล่าลือที่ประโคมกันนั้น ก็ไม่ได้เกิดมาจากรากฐานของความเป็นจริงแต่ว่าเมื่อเป็นข่าวขึ้นมาแล้วเราก็มักจะเชื่อบางทีได้ยินเขาพูดก็เชื่อแล้วทั้งๆ ท, ที่เราเนี่ยก็ไม่เคยเห็นไม่เคยไปศึกษาโดยละเอียดว่าอะไรเป็นอะไรบางทีก็เชื่อไปซะแล้วแล้วผลสุดท้ายก็เป็นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องการเชื่อมงคลตื่นข่าวหรือเชื่อในข่าวเล่าลือต่างๆเนี่ยบางทีก็ให้โทษเหมือนกัน เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าจะเชื่ออะไรง่ายจะเชื่ออะไรก็ตามต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้มากไม่ว่าเราจะได้ยินเราจะได้เห็นเพราะว่าการได้ยินการได้เห็นเนี่ยไม่ใช่เป็นจริงเสมอไปบางทีก็เป็นเท็จเห็นแล้วบางทีก็ยังไม่ได้เป็นไปตามที่เห็นก็มีฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาเนี่ยพิจารณาให้ลึกซึก้งเราจะเชื่ออะไรโดยง่ายไดย้ไม่ได้ พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้สาวตุชนเชื่ออะไรง่ายๆท่านสอนให้เราเนี่ยใช้ปัญญาให้มากเพราะว่าหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรูน้นี้ตรัสรู้มาด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นการจะเชื่อท่านจึงสอนว่าต้องใช้ปัญญาคนไม่มีปัญญาย่อมไม่เข้าใจในสัจธรรมต้องสอนให้เราใช้ปัญญามากๆเราจึงจะเข้าใจสัจธรรมเนี่ยโดยถูกต้องได้ วิธีปรับก็คือจะต้องทำศรัทธากับปัญญาเนี่ยให้เสมอกันทีนี้ถ้าหากว่าวรุรยะคือความภาคเพียนซึ่งเป็นอินทรีย์ข้อที่สองมีมากเกินไปคนที่ใช้ความเพียนมากนี่ก็ให้โทษเหมือนกันการใช้ความเพียนมากนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้จิตปุ้งร่านท่านก็สอนให้ปรับวุริยะเนี่ยให้เสมอกันวิธีปรับวุริยะคือความเพียนให้น้อยลง ก็โดยการทำสมาธิจิตต้องเอาสมาธิมาปรับวิริยะหรือถ้าสมาธิมีแก่กล้าเกินไปสมาธิที่แก่กล้าเกินไปก็ให้โทษอีกต้องเอาิริยะคือความภาาเพียรเนี่ยเข้ามาแก้ไขสมาธิให้สม่ำเสมอกันอินทรีย์ทั้งห้าประการเนี่ยคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปัญญาต้องคู่กันกันกบศรัทธา วริยะต้องคู่กันกับสมาธิส่วนสตินั้นไม่จำเป็นสตินั้นเป็นผู้กากับเหมือนกับเป็นที่เลี้ยงเป็นฝ่ายอุปการะที่จะปรับอินทรีย์เหล่านี้ให้สมเสมอกันคนที่มีสติมากจึงไม่เกิดโทษใครก็ตามที่มีสติมากๆแล้วสติอันนั้นก็มีส่วนอุปการะเกื้อภูลต่อบุคคลผู้มีสติ สติมากไม่เคยเกิดโทษให้แก่ใครเพราะฉะนั้นบุคคลที่จเจริญสติได้ทุกๆเรียบบทก็ยิ่งจะเกิดประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าสติเนี่ยเป็นอุปการะธรรมเป็นธรรมที่มีอุปการะมากต่อกุศลทั้งหลายถ้าหา่าขาสติเพียงอย่างเดียวแล้วกุศ ล, ลกรรมอื่นๆหรือธรรมะที่เป็นกุศ ล, ลอื่นๆเนี่ยต้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นศรัทธากับปัญญาวิริยะกับสมาธินี้ จำเป็นจะต้องให้สม่ำเสมอกันทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเพราะเหตุผลดังกล่าวคนที่มีปัญญามากเช่นคนที่มีปัญญามากแต่มีศรัทธาน้อยก็เกิดโทษอีกคือนอกจากจะเกิดโทษในทางที่ว่าใช้ความฉลาดไปนในทางที่ไม่มีประโยชน์แล้วศรัทธา ที่มีอยู่ก็จะลดน้อยลงคนมีปัญญามากเหตุศรัทธาน้อยเพราะว่าปัญญามันเกินศรัทธาไปก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นคนไข้เขวยได้ท่านอุปมาว่าเหมือนกับโรคที่มากยาโรคที่มากยาเนี่ยคือเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ โรคที่มากยาเนี่ยเป็นโรคที่รักษาไม่ได้โรคอะไรก็ตามที่มีที่เราใช้ยารักษามากโรคชนิดชนิดนั้นนะรักษาไม่ได้รักษายากคนที่มีปัญญามากก็เหมือนกันท่านทัน้งหลายจะสังเกตได้จากคนที่มีปัญญามากๆเนี่ยแล้วก็มีศรัทธาน้อยมักไม่ค่อยทำบุญไม่ค่อยทำกุศลไม่ค่อยทำความดีเท่าไหร่นะ เพราะว่าแกฉลาดมากเกินไปและความฉลาดอันนี้เองที่ทำให้จิตเนี่ยเกิดความไข้แผลเหมือนกับโรคที่มากยาผลสุดท้ายก็เลยทำอะไรไม่ได้สมาเคยสังเกตดูโยมบางคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือที่ศึกษาธรรมะบางทีสติปัญญาดีดีเหลือเกินยังโยมที่เป็นครว่าขเรียนธรรมะมากๆแตกฉานเข้าเนี่ยสติปัญญาดี แต่พอสติปัญญาดีเข้าแล้วศรัทธาเนี่ยไม่ได้ปรับให้สูงขึ้นเท่าเทียมกับปัญญาเพราะสุดท้ายศรัทธาตกบุคลบคลประเภทนี้จะมีจะมีแต่การแสดงออกในทางปัญญาแต่ว่าศรัทธานในการกระทําของบุคคลเหล่าเนี้มีน้อยศรัทธามีน้อยมีแต่ปัญญาเพียงอย่างเดียวแต่ว่าศรัทธาไม่มีเพราะฉะนั้นการกระทํากุศลเนี่ยจึงทําไม่ได้ คนที่มีปัญญามากๆไม่ค่อยทําบุญนะประเภทนี้ไม่ค่อยทําบุญเท่าไหร่เพราะว่าปัญญาเกินศรัทธาไปคนที่จะทําบุญได้สาเร็จก็ต้องปรับศรัทธากับปัญญาเนี่ยให้เสมอกันคนที่คุยธรรมะเก่งๆที่ภรณนาอานิสงส์ทานบ่อยๆลงไปชวนแกทําบุญสิกันไม่ใคยเอาอะไม่เคยทําอ่ะแต่ว่าชวนคนอื่นเอาเหมือนพระที่เทศอานิสงส์เก่งๆเราพระคุณเจ้าต้องทําบุญบ้างสิง่ายอ่ะแต่ว่าการเทศเราคัชอบ แต่ว่าจะให้ทำบุญไม่เอาเนี่ยเพราะว่าปัญญามากไปศรัทธาก็น้อยลงและผลสุดท้ายก็ทำกุศลไม่สาเร็จทีนี้คนที่มีสมาธิแก่กล้า ม, มากพอสมาธิแก่กล้า ม, มากความเพียรลดน้อยลงเมื่อความเพียรลดน้อยลงผลสุดท้ายความเกียดคร้านเข้าครอบงำกลายเป็นคนเกียดคร้านขึ้นประเภทเนี่ยผลสุดท้ายก็ปฏิบัติไม่สาเร็จ จะบำเพ็ญทำอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ก็ย่อหย่อนเพราะอะไรเพราะว่าความเพียรมีน้อยสมาธิแก่กล้าเกินไปทีนี้ถ้าหากว่ามีความเพียรแก่กล้ามากสมาธิน้อยใช้ความเพียรมากอุท ธ, ธัจจะเข้าครอบงำอีกความคุ้มสร้างความไม่สงบเนี่ยเข้าครอบงำเพราะความเพียร น, นั้นนะ่ะเป็นฝักฝ่ายของอุท ธ, ธัจจะ พอความเพียรแก่กล้าขึ้นมาความฟุ้งซ่านก็เกิดผลสุดท้ายก็สมาธิจิตก็ตกใช้ไม่ได้อีกจึงต้องปรับให้สม่ำเสมอการิยะคือความภาพเพียรกับสมาธิต้องให้สม่ำเสมอกันนี่เป็นเรื่องการปรับอินทรีย์ทั้งห้าที่เกิดขึ้นเป็นคู่คู่และก็เป็นปฏิปักษ์คอยปราบคอยปรามซึ่งกันและกันอยู่เสมอ เนี่ยเป็นวิธีที่เราจะต้องปรับในการที่ไปปรับนั้นท่านแนะว่าเราต้องใช้สติสติเนี่ยย่อมปราถนาในที่ทั้งปวงไม่ว่าเจริญสมถะหรือเจริญนวิปัสนาต้องใช้สติทั้งนั้นดฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องสติปฐานสี่ก็อย่าคิดว่าเป็นเรื่องของวิปัสนาเพียงอย่างเดียวแม้สมถะก็เป็นสติปฐานสี่เหมือนกันแล้วก็สติที่เราจะต้องใช้เนี่ย ย่อมจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านสมถะทั้งในด้านพิปปัสนาคือจะทำสมาธิก็ได้จะเจริญปัญญาก็ได้ต้องมีมีสติเนี่ยมาเป็นเครื่องกำกับไว้อีกในยันหนึ่งท่านบอกว่าภิกษุที่บาเพ็ญสมาธิแม้ว่าศรัทธาจะมีกำลังกว่าปัญญาเนี่ยท่านบอกไม่เป็นไรศรัทธาที่มีกำลังกว่าปัญญานั้นก็ไม่เป็นไรเหมือนกัน ทางนี้เพราะว่าศรัทธาเนี่ยยังเป็นปัจจัยให้บรรลุถึงอัปปนาได้เพราะบุคคลที่จะบรรลุถึงอัปปนาสมาธิต้องมีความเชื่ออย่างมั่นคงตะบอกจึงจะไปสู่อัปปนาสมาธิได้เพราะฉะนั้นศรัทธาที่มากในระหว่างปฏิบัติเนี่ยถ้าบอกว่าไม่เป็นไรถึงจะมากกว่าปัญญานิดหน่อยก็ควรเพราะว่าทำให้มุ่งตรงไปสู่อัปปนาสมาธิแต่ถ้าหากว่า ปัญญาเกิดมีมากขึ้นจะบอกว่าไม่มีประโยชน์แล้วพอปัญญามีมากขึ้นก็เกิดความฟุ้งซ่านพอสุดท้ายก็หาความสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องศรัทธาที่มากกว่าปัญญานั้นไม่เป็นไรจะบอกถ้าหากว่ามากก็ยังเป็นปัจจัยให้ให้บรรลุถึงซึ่งอัปปนาสมาธิได้เหมือนกัน ต่นี่เรื่องสมาธิกับปัญญาสมาธิกับปัญญานี่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนกันเพราะเอกคตาจิตนี่อย่างเราจะไปเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์เนี่ยต้องอาศัยเอกคตาเจตสิกเมื่อเอกคตาเจตสิกเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้จับอารมณ์เช่นนั้นไว้อย่างมั่นคงเมื่อจับได้มั่นคงดีแล้ว สมาธิก็จะมีกำลังสูงขึ้นตามลำดังเมื่อสมาธิมีกำลังสูงขึ้นสมาธินี้ก็เป็นบาทให้เกิดปัญญาได้ปัญญาก็มีกำลังสมบับคนที่มีสมาธิเป็นกาลังเนี่ยคนคนนั้นก็มีปัญญาเป็นกำลังด้วยและปัญญาที่เป็นกาลังอันนี้ที่จะไปแทงตลอดในอริยสัจจะทาได้ส่วนเรื่องสตินั้นได้กล่าวแล้วว่าย่อมปรารถนาในที่ทั้งปวง คือเราทิ้งสติไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นอั ป, ปนาฟโฟสนข้อที่สองคือจะต้องรู้จักปรับอินทรีย์เนี่ยให้สม่ำเสมอกันไว้ประการที่สามต้องฉลาดในนิมิตที่ว่าฉลาดในนิมิตในที่นี้คื อ, อผู้ที่เพ่งปฐวีกสินก็ดีหรือทำสมาธิในด้านอื่นๆก็ดีพอสมาธิจิตดีแล้วนิมิตเกิดขึ้นแต่ไม่รู้จักรักษานิมิตอ น, นันให้คงอยู่นิมิตนั้นก็สูญหายไป ที่เป็นดังนี้เพราะเหตุว่าไม่ไม่ได้เป็นผู้ที่ฉลาดในนิมิตการฉลาดในนิมิตนี่ก็คือการทําเอกคตาต่อนิมิตอันนั้นเช่นเมื่อเราทําสมาธิไปเนี่ยนิมิตปรากฏจะเป็นเห็นพระพุทธรูปหรือจะเป็นเห็นรูปภาพอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นแสงเป็นอะไรเกิดขึ้นก็าตามต้องเอาจิตเนี่ยอยู่กับแสงอันนั้นกับนิมิตอันนั้นไวคืออย่าหวั่นไหวแล้วก็พยายามกําหนดในนิมิตอันนั้นอยู่เสมอ ไม่เกิดความรู้สึกยินดียินร้ายแต่เมื่อนิมิตเกิดขึ้นก็เห็นว่านี่สัจธว่าเป็นนิมิตแล้วก็วางจิตไว้กับนิมิตอันนั้นกาหนดโดยสม่าเส ม, เมอตลอดเวลานิมิตอันนั้นก็ไม่สูญและนิมิตอันนี้ถ้าหากว่าเรารักษาไว้ได้ดีแล้วอย่างมั่นคงนิมิตอันนี้แหละที่จะทําให้จิตเกิดสมาธิขึ้นสมาธิเนี่ยจึงจะไปสู่อัปปนาได้ ถ้าหากว่าไม่ได้นิมิตนี้สมาธิจะถึงขั้นอปปนาหรือขั้นฌานเนี่ยขึ้นไปไม่ได้จาเป็นต้องอาศัยนิมิตคือสมถะต้องอาศัยนิมิตไม่เหมือนกับวิปัสนาวิปัสนานั้นอาศัยความเกิดดับของรูปนามหรืออาศัยรูปนามเนี่ยเป็นอารมณ์แต่สมถะนี้ต้องอาศัยนิมิตเป็นอารมณ์ถ้าหากว่าเราได้นิมิตแล้วก็แสดงว่าเราเนี่ยจะมีสมาธิอิทิสูงขึ้นไปตามลา ด, ำดำับ เพราะฉะนั้นความฉลาดในเรื่องนิมิตนี่จึงเป็นเรื่องสําคัญบางคนพอนิมิตสูญหายแล้วเวลานั่งเจริญสมาธติต่อไปอีกก็นั่งนึกว่าอยากจะเห็นอย่างนั้นอีกพอนึกว่าอยากจะเห็นอีกนี่นิมิตจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะตลอดเวลาที่นั่งเนี่ยโลภะจะเกิดขึ้นทําให้เราอยากเห็นอีกเมื่ออยากเห็นนิมิตก็ไม่ปรากฏเพราะว่าสมาธิไม่ดีมันจะปรากฏไม่ได้ เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าอย่าไปยินดียินได้ตอนนิมิตเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรู้เท่าทันถ้าเราเอาจิตตั้งมั่นกับนิมิตอันนั้นก็ให้เป็นเอกขตาจิตกำหนดอยู่สม่ำเสมออย่าทอดทิ้งในนิมิตที่เรากำหนดอยู่เนี่ยจึงจะรักษาหรือประคับประคองนิมิตอันนั้นนะเอาไว้ได้นี่เรียกว่าฉลาดในนิมิตประการที่สี่ประคองจิตในสมัยคือว่าประคองจิตในสมัยที่ควรประคองเนี่ย เป็นอย่างไรที่ว่าประคองจิตในสมัยที่ควรประคองเนี่ยให้ท่านทั้งหลายนึกถึงสภาพจิตของเราเองทุกๆคนคือจิตของเราเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันนี่จะมีความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกันเปลี่ยนแปลงได้จากอย่างหนึ่งไปสู่ความเป็นอีกอย่างหนึ่งตอนเช้าเป็นอย่างนี้กลางวันเป็นอย่างนี้ตอนเย็นเป็นอย่างนี้หรือนาทีชั่วไม่กี่นาทีเนี่ยจิตก็ผันแปรไปได้แล้ว ความเป็นผู้รู้จักประคองจิตในสมัยที่ควรประคองเนี่ยอย่างไรเช่นในสมัยใดจิตของเราเกิดความหดหู่ที่เกิดความหดหู่เนี่ยเพราะบางครั้งเรารู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายในชีวิตความรู้สึกอันนี้คงจะเกิดขึ้นกับหลายๆายท่านที่รู้สึกเบื่อหน่ายในชีวิต อยู่ๆก็รู้สึกรำคาญบางทีรำคาญวนะ่าเออไอโลกนี้มันน่าเบื่อจริงๆไม่รู้เกิดกันมาทําไมพอเกิดความหดหู่อย่างนี้ขึ้นเราจะทํำยังไงจิตเนี่ยจึงจะไม่หดหู่ท้อแท้หรือบางทีเราไปกระทบกับอารมณ์ที่ชวนให้เกิดความหดหู่แต่ว่าเราเนี่ยไม่ฉลาดในการทําอารมณ์นั้นไว้ในใจ หรือขาดโยนิโสมมนักติการเราก็เศร้าสลดเสียเอาจริงเอาจังสรดจนกระทั่งแม้แต่ชีวิตของตนเองเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าสลดไปด้วยประเภทนี้มักจะยอหย่อนและผลสุดท้ายก็เป็นคนอยู่เหมือนกับคนที่ปราศจากวิญ ญ, ญาณคือความรู้สึกที่เราเรียกสาหรับเป็นคนอยู่แบบสังกตายคำว่าอยู่แบบสังกตายเนี่ยคือ ไม่มีความขวนขวายที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าหดจิตหดหูเกินไปให้โทษอีกเหมือนกันแต่ี้ถ้าจิตเกิดไม่หดหูก็ให้โทษอีกความหดหูถ้าหากว่าเรารู้จักใช้ก็เป็นประโยชน์อย่างที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย แล้วเกิดความสลดพระไทยว่าชีวิตของคนเกิดมาแล้วก็ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยไม่มีสิ่งใดมาเป็นเครื่องป้องกันเราจะแก้ไขกันอย่างไรก็แก้ไขไม่สาเร็จท่านสังเวชสลดพระไทยอย่างมากผนสุดท้ายต้องสละราชวัลลังเพื่อสแสวงหาโมฆะธรรมเห็นวังเป็นปา่าช้า เห็นนางสนมกำนันนางบำเรอทั้งหลายเนี comma, ่ยดุจดังซากศพที่อยู่ในป่าช้าเกลื่อนกราดไปหมดผลสุดท้ายก็สระราชบัลลังก์ออกบวชอันนี้เราศึกษาแล้วเราจะเห็นว่าผลจากการที่ได้ทรงสละราชสมบัติออกบวชนั้นเกิดมาจากทรงสังเวชสลดพระไที่ได้เห็นความแก่ความเจ็บความตาย แล้วก็เห็นว่าโลกมนุษย์เนี่ยเต็มด้วยความทุกข์เพราะฉะนั้นสแสวงหาโมฆะธรรมดีกว่าความสลดในทางใจเนี่ยก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้ขวนขวายในการสแสวงหากุศลได้และปัจจุบันนี้ก็มีที่บางท่านมีความฉลาดในเรื่องนี้เช่นอย่างบางท่านที่มีจิตปักฝ่ในการบุญการกุศลรู้จักสนใจในการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยบางทีความสรดมันเกิดขึ้นเป็นปัจจัยกระตุ้นเตือนเหมือนกัน บางทีอยู่ๆอ้าวเพื่อนที่รักกันเกิดตายไปซะแล้วนึกถึงตัวเองบางเอ๊ะวันหนึ่งเราก็าจะต้องตายอย่างนี้เหมือนกันถ้าเราขืนมาหมกมุ่นอยู่กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราจะไม่ได้อะไรไปเลยและผลสุดท้ายก็ตัดใจเข้าวัดมีมีจนวนมากที่มีความรู้สึกอย่างนี้คือเนื่องมาจากว่าความสลดใจเนี่ยเป็นส่วนกระตุ้นเตือนให้ฝักใฝ่ในการกุศลสแสวงหาบุญกุศลขึ้น ก็เพราะว่าได้เห็นความจริงต่างๆในโลกแล้วก็เกิดความสังเวชใจว่าเราจะต้องแสวงหาอะไรเป็นที่พึ่งสักอย่างหนึ่งแล้วเขาเหล่านั้นก็หันเข้ามาทำกุศลเนเนื่องมาจากว่าได้เห็นสิ่งที่สังเวชสลดใจเพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดความสังเวชสลดใจที่ได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้บางครั้งก็เกิดประโยชน์แล้วก็ขวนขวายในการทากุศล ไม่ใช่พอเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ะสตรดใจแต่ว่าไม่ขวนขวายในการกุศลความเทียนก็ย่อหย่อนผลสุดท้ายก็ไม่มีความภาคเพียรในการสแสวงหากุศลให้แก่ตนเองความสลดใจอย่างนี้ให้โทษมากไม่เกิดประโยชน์อะไรที่เป็นดังนี้เพราะเหตุว่าขาดโยนิโสมนัสิกานคือไม่ฉลาดในการกระทำอารมณ์เหล่านี้ไว้ในใจ ว่าเมื่อจิตเราโสดหดผู่ถึงอย่างนี้เราจะยกจิตขึ้นมาให้เกิดความภาคเพียรได้อย่างไรถ้ายกไม่ได้จิตนี้ก็จะเวียนไปสู่ความเกียดครานและผลสุดท้ายย่อหย่อนไม่ไม่ขวนขวายในการที่ปฏิบัติเนี่ยเราต้องรู้จักประครับประคองจิตในสมัยที่ควรประคองด้วยคราวใดที่มีจิตหดหู่ถ้าสอนไว้ว่าถ้าคราวใดจิตขอาหดหู่มาก ย่อหย่อนมากในสมัยนั้นไม่ควรที่จะเริญโพดชงอันมีปัจสัทธิสัมโพดชงเป็นต้นไม่ควรเจริญโพชชงสามประการในสมัยที่จิตหดหูนเนี่ยเราจะไปเจริญโพชชงสามประการเนี่ยไม่ได้ตลอดในสมัยที่ไม่ควรเจริญโพดชงสามประการคือเช่นปัจสัตติสัมโพดชงปัจสัตตินี่แปลว่าความสงบ ความสงบที่เป็นปัจสถินี้ถ้าหากว่ามีแก่กล้าแล้วเราสามารถที่จะนั่งอยู่ได้โดยปราศจากความรู้สึกถึงสามวันสามคืนความสงบอันเนี้ยคือถ้าหากว่าทําสมาธิไปถึงขั้นมีความสงบถ้าปัจสถานีเกิดขึ้นแล้วผู้ที่ทําสมาธิเนี่ยจะนั่งอยู่อย่างนี้ได้สามวันสามคืนโดยไม่ต้องรุก ข, ขยับขยื่อน จิตจะดิ่งลงสู่ความสุขที่เป็นปสัสสธิเนี่ยมีแต่ความสงบตลอดเวลาแล้วก็ความสงบอันนี้ถ้าหากว่าให้ติดแน่นอยู่ก็เป็นผลทางด้านสมถะทางด้านสมาธิจิตทางด้านความสงบแต่ว่าไม่เกิดปัญญาเพราะปะสัสสติสัมพุชงมีมากเกินไปแล้วก็ให้โทษเหมือนกัน อย่างผู้ที่จเจริญวิปัสนานี่ถ้าหากว่าความสงบเกิดขึ้นเข้าครอบงา ม, มากแล้วปัญญาที่จะเห็นไตรลักษณ์ก็ไม่เกิดไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะรู้สึกว่าแหมทําอย่างเนี้มันเป็นสุขและเกิดความรู้สึกของผู้ที่ปฏิบัติถึงขั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าแม้ถ้าหากว่าเรานั่งอย่างนี้ได้ตลอดชีวิตเนี่ยเราจะมีความสุขมากเราไม่ต้องรับประทานอาหารก็ได้ไม่ต้องลืมตาก็ได้คือแม้แต่ตาก็ไม่อยากจะลืม แล้วก็อยากจะนั่งอย่างนี้ตลอดเวลาทุกขเวทนาจะไม่เกิดสงบระงับไปหมดความปวดเมื่อยที่เราได้รับในสมัยที่จเจริญสมาธิใหม่ๆเนี่ยจะหายไปหมดจะมีแต่ความสุขกับความสงบเนี่ยอยู่เช่นนี้ตลอดออประสิทธิที่แรงกล้านี่บางทีบางท่านที่ไม่เข้าใจสภาวธรรมเนี่ยก็ไหวเขวยได้เหมือนกันตมาเคยพบบ่อย คือโดยปกติแล้วถ้าปสัสสติเกิดมากความสงบที่มีมากเนี่ยอย่างเรากําหนดอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งเป็นอารมณ์กําหนดนามรูปเป็นอารมณ์ก็ดีกําหนดนิมิตก็ดีนิมิตเหล่านี้จะละเอียดลงตามลําดับจนกระทั่งนิมิตอันเนี้เกือบจะไม่มีอยู่แม้แต่ตัวเราเองนี่ร่างกายเนี่ยความรู้สึกในขณะนั้นจะเหมือนว่าร่างกายเนี่ยไม่มี มีแต่ความรู้สึกนึกคิดซึ่งเล็กแสนเล็กเหมือนกับไอความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเป็นผงธุรีอันหนึ่งที่มันลอยอยู่ในอากาศอันเ้องว่างมีแต่ความเบาแล้วก็ตัวเนี่ยหายไปหมดคล้ายๆว่าตัวเนี่ยหายไปไม่มีตัวอยู่ความรู้สึกอันเนี่ยบางท่านพอปฏิบัติไปได้พบแล้วก็มาคุยบอกว่าผมเห็นอนัตตาแล้วบอกอนัตตาเป็นยังไง พอวาพนั่งไปแล้วเนี่ยแหมตัวมันเล็กๆมันหายไปมีความรู้สึกอย่างนี้เดีย๋ยรู้สึกว่าตัวเนี่ยไม่มีอยู่เนี่ยเป็นเรื่องอำนาจของปสัสทธิถ้าแก่กล้าแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็ขณะนั้นนมีความสุขเหลือเกินแล้วกรถามว่าชอบไหมบอกชอบเพราะในขณะนี้มีความสุขมีความสุขอย่างที่สุดความทุกข์ต่างๆเนี่ยหายไปหมดความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากเบญจขันต์ก็หายไปจากรูปจากนามเนี่หายไปหมด จะมีแต่ความรู้สึกอยู่นิดเดียวเท่านั้นและความรู้สึกอันนี้อย่างนี้กระเอียดอย่างที่สุดเหมือนกับธูรีที่ลอยอยู่เวงวางในอากาศตัวตนไม่มีคล้ายๆกับร่างกายเนี่ยหายไปเนี่ยและถามว่านั่นหรือเป็นอนัตตาและเห็นอนิจจังกับทุกขังไหมอนิจจังทุกขังไม่มีแต่ว่าความรู้สึกยึดเหนี่ยวในอารมณ์อันนี้มีอย่างหนานแน่นอันนี้คือตัววิปัสสนาภิกษุ เพรสุดท้ายไตรลักษณ์ไม่เห็นอนัตตาไม่ใช่เห็นว่าร่างกายไม่มีอะไรแล้วก็เป็นอนัตตาไม่ใช่อย่างนั้นความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นกันด้วยลักษณะอย่างนี้นี่เป็นแต่เพียงปัสจุบันเท่านั้นเองอ่ะแต่เราก็ยังมีความสุขมากมายถึงเพียงนี้ถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ยังมีความสุขอย่างมากมายแล้วส่วนเรื่องนิพพานที่เรายังไม่เคยบรรลุนั่นนะจะมีความสุขแค่ไหนเราก็ยังไม่ทราบแต่ว่าถ้าปฏิบัติได้เพียงขั้นเนี้เราก็จะมีความสุขอย่างมากมาย ทั้งหลายที่สนใจปฏิบัติทดลองทำดูก็อาจจะได้พบอารมณ์เช่นนี้ถ้าปัสสพิเกิดขึ้นแต่ปัสสพิอันนี้กลับเป็นอารมณ์ที่ไม่ควรเจริญในสมัยที่จิตประสบต่อความหดหู่ถ้าบอในสมัยที่จิตหดหูเนี่ยไม่ควรเจริญปัสสธิสัมโพธชงทำไมจึงไม่ควรที่เจริญปะสะัสสพิสมโพธชง พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แก่พระสงฆ์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้ต้องการจะยังไฟที่เล็กน้อยให้โพร่งขึ้นเธอพึงใส่หญ้าสดเข้าไปใส่โคไม้สดเข้าไปใส่ไม้สดเข้าไปพ่นลมที่เจือด้วยน้ำเข้าไปสู่กองไฟมีน้ำซ้ำยังเอาฝุ่นโปรยเข้าไปในกองไฟอันเล็กน้อยซึ่งจวนจะดับนั้นอีก ดูก่อนพิสูุทั้งหลายบุรุษน้นบุรุษนั้นควรหรือที่จะยังไฟอันเล็กน้อยเนี่ยให้โตรงขึ้นได้